ทบทวนชื่อของวิสุทธิเนี่นะวิสุทธินี้โดยศัพท์นี่แปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างอันหนึ่งคือความบริสุทธิ์คือพระนิพพานเป็นความบริสุทธิ์ที่แท้จริงบริสุทธิ์จากปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอย่างที่สองความบริสุทธิ์ได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานอันบริสุทธิ์ข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานอันบริสุทธิ์นั้นก็ชื่อว่าวิสุทธิ มีอยู่เจ็ดประการด้วยกันวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ยนะข้อหนึ่งก็คือ 4, ววสีละวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสามทิฏฐิวิสุทธิสี่กังขาวิตรณวิสุทธิห้ 5, มามัคคามัคคายานทัทสนวิสุทธิหกปฏิปาาทาญาณัทสนวิสุทธิเจ็ดญาณัทสนวิสุทธิ จำชื่อวิสุธทธิได้ก็ยังดีดีกับกันไดแล้วนะมีติดไม้ติดมือไปบ้างไม่ใช่ผู้สัพระจําได้หมดเลยไใ้ทักคนก็ยังดีนะพูดถึงวิสุธทธิเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งอุปมานะอย่าไปคิดเป็นนะ เขบอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะเพ่งรู้เนื้อความเข้าใจเนื้อหาได้ก็อาศัยอุปมาเนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบเหมือนอย่างว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นเมืองที่บริสุทธิ์ก็ต้องเดินทางกันทีนเดินทางนี่จะต้องเดินทางด้วยรถเจ็ดผลัดเดินทางด้วยรถเจทอดเจ็ดเจ็ดเจ็ลัดเจต่อนะต่อที่หนึ่งเาเรียกว่าอุปมาเหมือนกับศีลวิสุทธิ ต่อที่สองเหมือนจิตตวิสุทธิต่อที่สเหมือนทิฏฐิวิสุทธิต่อที่สี่เหมือนกังขาวิตรณวิสุทธิต่อที่ห้ามขามคะายาทัทสนวิสุทธิต่อที่หปฏิปทาญาทัทสนวิสุทธิส่วนรถเข้าเมืองคันสุดท้ายก็คือญาทัทสนวิสุทธิโดยการเรียนนี่เราเรียนมาถึงรถผลที่ที่6เนี่ยนะไปแล้วห้าคันเนี่ยผ่านไปแล้วห้าคัน ที้ถ้าทบทวนตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนับที่หนึ่งเนี่ยนะสีลวิสุทธิที่นี่เป็นอย่างไรศีลวิสุธทธิ์นั้นก็คือความบริสุทธิ์ทางกายและว่าจาัทางใจพูดประมาณ่ทไมตัสับเรีญญญญนยนเกิดไปนะปัทมังกาลลังโหติตอนแรกก็เป็นกาละนีนะจากกาละเป็นอภูธะเป็นเปสิค่อยๆเจริญเติบโตมาก็คือลำดับการเจริญเติบโตในคัน ทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีการอย่างลงสู่คันแล้วเนี่ยเด็กที่จะเจริญเติบโตในครันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือลำดับการเจริญเติบโตของของชีวิตมนุษย์ทั้งหลายทีนี้พูดถึงลำดับการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเบื้องต้นไม่มีศีลวิสุทธิก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบรรลุมรรคผลในพั้นศีลวิสุทธิ์นั้นก็คือความบริสุทธิ์ทางกายและวาจาพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญความบริสุทธิ์ทางกายวาจา เปรียบเหมือนอย่างว่าสักสองเท้าสักสี่เท้าหรือสักมากเท้าก็ตามเนี่ยนะถ้าจะนั่งก็นั่งบนแผ่นดินถ้าจะนอนก็นอนอยู่บนแผ่นดินยืนเดินนั่งนอนใช้ชีวิตเป็นไปอยู่บนแผ่นดินน้อยตัวนักที่จะเห็นว่าใช้ชีวิตอยู่บนน้ำใช่ไหมน้อยมากโดยมากก็ดำรงอยู่บนพื้นแผ่นดินแม้กระทั่งที่เรานั่งนะนั่งบนเก้าอี้ก็ชื่อว่านั่งบนดินอยู่ดี ไม่ได้ดั้งบนน้ำบนลมและบนไฟแต่ถือว่าตั้งอยู่บนดินเป็นหลักจึงสา ม, มารถทำอะไรได้ฉันใดก็ดีผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลผนิพพานเบื้องแรกเบื้องต้นก็ต้องดำรงอยู่ด้วยศีลฉันนั้นหรือเหมือนอย่างว่าการงานที่จะต้องทำด้วยกำลังแขนด้วยกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกการงานอ น, นันเนี่ยจะต้องผู้ที่ทาการงานนั้นจะต้องยืนอยู่บน แผ่นดินยืนอยู่บนดินบางคนเถียงเอานั่งบกยืนบนเครื่องบินก็ทำได้ไม่ใช่เหรอเครื่องบินก็ดินนั่นแหละ น, นะก้อนดินที่มันลอยได้นั่นแหละ น, นะถ้าพูดแบบภาษาปรามาจ์ก็คือธาตุดินธาตุดรงอยู่บนธาตุดินก็สามารถประกอบกรรมได้ทำอะไรได้ น, นะหรือแม้กระทั่งพีชคามและภูตคามต้นไม้ใบหญ้าที่เจริญงอกงามสวยสดก็เจริญเติบโตโดยอาศัย แผ่นดินฉันใดผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ฉันนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานคือแผ่นดินทีนี้ตั้งคำถามว่าทำไมหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเอาสีนเนี่ยเปรียบกับแผ่นดินเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมอย่างหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือเราไปที่ไหนไปให้พ้นธาตุดินเนี่ยไปได้ไหม ไม่ได้ยังไงยังไงก็อยู่บนท่าดินไปที่ไหนก็ไปดูดินนี่แหละไปยืน อ, อยู่บนดินไปหาดินกินไปนต้นเมื่อทุกขนทุกแห่งเป็นดินได้ทุกแห่งก็ต้องมองให้เป็นศีลให้ได้จะต้องเจริญศีลให้เห็นเห็นศีลที่อยู่ในทุกขนทุกแห่งอยู่ในทุกอารมณ์อยู่ในทุกที่จนกว่าจะมีซับคือศีลเห็นทุกอย่างเป็นศีลได้หมดเลยถ้าเห็นทุกอย่างเป็นศีลได้หมดแล้วสา ม, มารถประพฤติสุจริตทางกายและวาจาได้อย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีศีละวิสุท ธ, ธินี่นะทุกแห่งไม่มีอารมณ์ใดที่จะทำให้เราล่วงศีลได้เรารักศีลเพราะอะไรเพราะศีลเป็นทรัพย์ของเราศีลนี่เป็นบาทที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลศีลเนี่ยเป็นประตูแห่งพระนิพพานศีลนี่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นบันไดสวรรค์ก่อนะถ้ารักษาศีลได้ดีใช่ไหมศีลนี่เป็นบันไดสวรรค์ แต่ที่สําคัญมากคือศีลคือประตูแห่งพระนิพพานถ้าเราไม่มีศีลประตูแห่งพระนิพพานนี่ก็ยังไงก็เปิดไม่ได้นะไม่รู้ประตูอยู่ที่ไหนอันประตูแห่งพระนิพพานนั้นจึงอยู่ที่ที่ศีลใครเคยเห็นไหมประตูอย่างอื่นยังพอมองเห็นใช่ไหมประตูบ้านประตูเรือนประตูที่อื่นยังพอมองเห็นแต่ประตูแห่งพระนิพพานานี่อยู่ตรงไหนถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นศีลในที่ทุกหนทุกแห่งในในทุกสถานเนี่ยนะ ถ้ามองเห็นศีลเราไม่ได้ไม่มีทางรอกที่จะบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานอันนี้พูดถึงมรรคผลนผิพพานของพระพุทธเจ้านะทีนี้ต่อไปบุคคลผู้มีศีลดีแล้วทํำยังไงก็อ บ, บรมจิตใช่ไหมอ บ, บรมจิตทําจิตให้ตั้งมั่นเห็นไหมแสดงว่าปกติแล้วจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่วุ่นวาย เขาบอกว่าสังเกตดูสมมติาคนที่ฟุ้งซ่านนิกิริยาการเป็นยังไงาตาก่อนนะนะีตาเป็นยังไงบ้างตานิ่งอย่างนี้รู้ปะ่ะไม่กรอบซ้ายกรอบขวากลิ้งเกลือกไปเรื่อยใช่ัหมอันนี้นี่ตาใช่แล้วแขนนะแขนเป็นยังไงขยับไปเรื่อยไหมแล้วสีหน้า พฤติกรรมร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยกิริยาอาการจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าสภาพจิตเนี่ยที่มันมั น, ม, นมันฟุ้งซ่านแบบนั้นถามว่าอะไรเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นกําลังฟุ้งซ่านอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจิตของเขาเนี่ยฟุ้งซ่านนะอ่านะก็เขาก็เอาองค์ฌานเนี่ยเป็นเครื่องวัดทั่วๆไป อ, ะนะองค์ฌานที่ที่เป็นเป็นฌานเนี่ยนะที่เป็นองค์ที่จะทําให้เกิดจิตวิสุธทธิก็คือ วิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาพูดถึงผู้ที่ไม่มีจิตวิสุทธินี่นะวิตกของเขาเป็นไปกับกามวิตกวิตกของเขาเป็นไปกับพยาบาทวิตกวิตกของเขาเป็นไปกับวิหิงสาวิตกพูดถึงสมาธิจริงแต่เบื้องต้นของสมาธินี้คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตา ดัคนที่มีจิตไม่บริสุทธิ์จิตไม่วิสุทธิ์ก็คือผู้มากไปด้วยกามวิตกมากไปด้วยพยาบาทวิตกมากไปด้วยวิหิงสาวิตกใครที่มีอกุศลวิตกมากด้วยอกุศลวิตกอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่มีจิตตวิสุทธิจิตเขาไม่บริสุทธิ์หรอกเห็นไหมจิตเขาไม่สะอาดหรอเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยกามวิตกตเป็นอะไรเป็นความคิดที่จะสูบพกพูนมหาพูด พยาบาทวิตกก็คิดอะไรคิดเบียดเบียนมหาพูดนะคิดทําลายมหาพูดวิหิงสาวิทนั้นป่าก็สินรุ่นก็ทับกบนั้นแบบกลางหลักเนตราเลศไม่อร่อยดื่นะเราจะมากได้ถามว่ายิ่งดื่มยิ่งอิ่มไหมไม่อิงยิ่งดื่มยิ่งกระหายแต่หานใช่ไหมอะไรใช่ไหมแต่ทํำไมยิ่งดื่มมากยิ่งกระหายมากทําไมเป็นอย่างนั้นมันมีพลังงานมากเลยแต่ว่าที่แน่ๆวัตถุกรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้น ผู้ใดที่สแสวงหาความสุขจากวัตถุกรามทั้งหลายมากเท่าใดจิตใจยิ่งแห้งแรงเท่านั้นจิตใจยิ่งเร้าร้อนเท่านั้นเพราะว่าผู้ที่บริโภคกามจนอิ่มอย่างแท้จริงไม่มีเลยนะมีแต่ความกระหายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความลำบากเพราะวัตถุกรามทั้งหลายโดยมากหวานในเบื้องต้นแต่ก็เป็นพิษในในบ้านปลายเนี่ยนะพราเหมือนกับน้ำอ้อยเนี่ยนะยใครๆกินมากๆแล้วก็เกิดเกิดพิษฉันใด วัตถุการมที่บุคคลทั้งหลายบริโภคก็ฉันั้นนํามาซึ่งความเดือดร้อนนามาซึ่งความลําบากใจในบ้านปลายฉนั้นนั้นผู้ที่มีจิตแห้งแล้งขาดปีติบุคคล น, นั้นก็จิตไม่บริสุทธิ์เหมือนกันจิตของผู้ที่หนึ่งนะอกุศลวิตกอกุศลวิจารณจิตที่ขาดปีติเป็นจิตที่แห้งแล้งจะประสบความสุขมาแต่ไหนเขาจะประสบความสุขทางกายบ้างไหมจะประสบความสุขทางใจได้บ้างไหม ไม่ได้ก็เป็นผู้ที่เดือดร้อนทางกายและใจกวนกวายทางกายและทางใจลำบากทางกายและทางใจผู้ที่มีใจเป็นไปด้วยอกุศลมิตตกเป็นไปด้วยอกุศลวิจารเป็นไปด้วยจิตใจที่แห้งแล้งขาดความสุขทางร่างกายและจิตใจใจของเขาจะตั้งมั่นได้ไหมไม่ได้ผู้ที่ขาดองค์ประกอบอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตไม่เป็นจิตตวิสุธทธิไม่คู่ควรต่อการบรรลุมรรคผลอะไร ไ, นะไม่คู่ควรเพราะว่าจิตที่เลื่อนลอยพระองค์ตรัสเลยว่าผู้ที่มีจิตเลื่อนลอยมีจิตไม่ตั้งมั่นเหมือนลูกฟักที่อยู่บนหลังมา้าไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นธรรมได้หรอกนะไม่สามารถที่จะมีปัญญาเห็นอริยสัจจะทับได้หรอกเพราะคนเลื่อนลอยเขาบอกว่าแค่คุยเรื่องธรรมดาทั่วๆไปให้คนเลื่อนลอยฟังยังคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะกล่าวไปยายถึงพูดอริยสัจให้คนมีใจเลื่อนลอยฟัง ัการปฏิบัติธรรมที่เพื่ อ, อข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรทุนนิพพานนั้นวิสุทธิข้อที่สองคือจิตตวิสุทธินั้นจึงสําคัญพันก็ในภาคการเจริญอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องมองทุกอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ของศีลวิสุทธิก่อนแล้วก็มองทุกอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ของจิตตวิสุทธิเห็นอารมณ์อะไรก็ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังรับอารมณ์อะไรก็ไม่ลำบากใจในภายหลัง แต่เขามาจากสังเกตดูนะลนหลายเรื่องนะเรานึกถึงอะไรโดยมากลําบากใจในภายหลังอคนอื่นไม่ทราบนะแต่ว่าเราเอ้ยหลายเรื่องทําไมรู้ไหมก็เราเคยทุ่มศีลเอาไว้ในปางก่อนสมมติว่าไปเห็นไอนะวันก่อนนั่งรถไปเห็นมันแก้วเข้าเราก็นึกได้เอ้ยมันแก้วนี่เราเคยไปรักมานี่ถามว่าจิตตอนนั้นนะถามว่าเดือดร้อนใจในภายหลังหรือปลือมเลยไห ก็เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมพอเห็นปลาดุกปัางเมื่อนึกว่เราเคยตกแบบได้ปลาดุกบ้างเยอะอย่างไงถามว่าใจมันจะเย็นไหมอ่ะไม่เย็นทีนี้ถามว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ให้เห็นปลาดุกเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ให้พูดถึงไม่ให้คิดถึงไม่ให้อะไรเป็นไปได้ไหมและชำระศีลของเรายังไงไม่ให้เดือดร้อนใจล่ะหรือว่าเออไม่เป็นไรข้อปฏิบัติมักง่ายก็คือไม่เป็นไรช่างมันมีไม่มักแปดอย่างไง ไม่มีแล้วให้คิดยังไงตกลงถ้าวัตถุนั้นเราล่วงศีลไปแล้วแก่ยังไงเอ่ยอนนสมมติทํามองเห็นสตังปั๊บเออนี่เราเคยลักสตังแมนน่คิดยังไงคะเนี้่ะแก่ยังไงอันนั้นก็ต้องชั้นแรกเลยต้องสมาทานก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีอีกเนี่ยนะสิ่งนี้จะเป็นวัตถุแห่งศีลของเรา คืออย่างว่านะคนทั้งหลายโดยมากในโลกนี้เนี่ยนะคนที่เกิดมาบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหายากนะมีแต่ว่าไม่มากเมื่อไม่มากเนี่ยไปนึกถึงอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามสมมุติว่าเราเคยหลอกใครนะเห็นหน้าเขาปั๊บเรารู้รเลยเคยหลอกเขาไว้อย่างเงยเคยไหมถ้าสมมุติถ้าเราเคยมูสาใครเอาไว้สักอย่างหนึ่งเห็นหน้าปั๊บเราจะรู้เออคนนี้เราเคยมูสานี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ที่ ที่รักษาศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหตุใกล้แห่งวิชาสามเป็นเหตุใกล้แห่งปุเพนิวาสานุสติยานคนมีศีลเนี่ยจะระลึกเรื่องอดีตได้อย่างคล่องแคล่วเขาระลึกจนเขาไม่เดือดร้อนใจอะ่ะเพราะความที่เขามีศีลเพราะฉะั้นคนที่ระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดในภายหลังแล้วยังเดือดร้อนใจแสดงว่าศีลยังไม่ดีพอะศีลยังไม่ดีพอไม่คู่ควรแก่บาปแห่งจิตตวิสุธทธิเพราะฉะนั้นจะต้องชําระศีลให้ได้นะนีย ในอัตกถาการณียเมธสูตรก็กล่าวถึงว่าผู้ไม่มีปัญญาชําระศีลไม่ได้หรอกนะศีลเนี่ยจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องชําระเพราะฉะนั้นวัตถุใดที่เราล่วงศีลไปนะจะปานาติบาตก็ตามอธินนาทานเป็นต้นก็ตามแล้วก็สมาทานว่าวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการล่วงศีลของเราอีกแล้วก็สมาทานบ่อยๆสมาทานให้มากๆ นี่คืออารมณ์ของศีลนี่คืออารมณ์ของศีลนี่คือศีลของเรานี่คือศีลของเราสมัยเด็กๆเกนะี่บวชเนร น, น้อยเนี่ยโอ้โหิวข้าวเย็นมากทำยังไงวะแอบกินข้าวแหง้ง <c oughs> บอกว่าต่อท่านี้ต่อไปเราก็ต้องสมาทานวนะ่าข้าวทั้งหลายจะต้องเป็นอารมณ์แห่งศีลเราจะต้องไม่ล่วงไม่ผิดศีลเพราะเหตุแห่งข้าวเด็ดขาดนี่ไนะง น, นนะก็ต้องสมาทา น, นอธิษฐานบ่อยๆเอาครั้งแล้วครั้งเล่า จนกว่าจะเห็นข้าวแล้วนึกถึงศีลว่าเราสมาทานนะเรามีศีลนะจะต้องหมั่นสมาทานแบบนี้บ่อยๆฉั้นเห็นข้าวเมื่อไห ร, ร่ก็ศีลของเราก็เกิดขึ้นนะนะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของศีลและวิสุทธิ์แม้กระทั่งปัดใจศีลก็เหมือนกันเห็นอะไรจะต้องปัดจวเวกทันทีจนกว่าไม่มีวัตถุใดที่เราไม่พิจารณาเนี่ยนะอันนี้ชําระศีลใ ห, ให้ให้เพียงพอกันแล้วกันถ้าชําระศีลไม่เพียงพอนะจิตไม่ตั้งมั่นใจไม่เป็น สมาธิเจริญจิตตาวิสุทธิก็ไม่รู้จะเจริญยังไงเอาเห็นข้าวนี้เจริญพุทธคุณยังไงอนะหรือมานั่งท่องเที่ยวอิติปิโสปะขวาวะระหังสัมมาจะได้สักสามวันหรือเปล่าอามันนั่งท่องอยู่อย่างไงอิติปิโสปะขาอะระหังสัมมาไปอยู่เจดีแล้วะเขามาเห็นคนเฝ้าเจดีไม่เห็นค่อยสวดมนต์อะไรเท่าไหร่หรอกไปหม่มผ้าเจดีที่สุวนนรรณมะลิกะเจดีที่ศรีลังกาเมื่อเมื่อวันอะไรนะวันวันศุกร์ ผมผ้าเห็นอะไรไหยเห็นแมลงเต๊มไปหมดเลยบนนั้นอะ่ะแมลงปีกแข็งที่มันไปกินสีะขนาดบนเจดีนะั่ก็ยังมีสัตว์ในเลยมีสัตว์อาบายอยู่เลยอย่างที่นครปฐมก็มีอะไรนะ่ะนกพิราบเยอะทั้งทุกแห่งนี้ก็เป็นเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์ในอาบายเทั้ะนั้นถ้าหากว่าในอารมณ์เหล่านั้นเราเห็นแล้วเร า, เราลึกถึงศีลของเราไม่ได้ลึกถึงทรัพย์คือศีลของเราไม่ได้ ประตูอาบายนี่อยู่ทุกแห่งแม้แต่เจดีก็เป็นประตูแห่งอาบายสําหรับบางคนนะพระพุทธรูปก็เป็นประตูแห่งอาบายสําหรับบางคนทาไมก็ เ, เคยไปตัดเสียงพระพุทธรูปเป็นต้นเอาไว้นะแบบอยากที่สุดหรือดูหมิ่นดูแคลนพระพุทธรูปเป็นต้นแล้วเขาจะไปไหนหนอทีนี้ถ้าหากว่าวัตถุทั้งหลายไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลให้เพียงพอเรารับอารมณ์อารมณ์อะไรอะไรใดๆเนี่ยเราจะเจริญพุทธานุสติไม่ได้ จเจริญธรรมมนุสติไม่ได้จเจริญสังขานุสติไม่ได้จเจริญศีลานุสติไม่ได้จเจริญเทวตานุสติไม่ได้จเจริญมรณานุสติไม่ได้ถ้าจเจริญอนุสติไม่ได้แล้วจ ะ, จะเจริญพรหมิหารได้ไหมก็ไม่ง่ายสักเท่าไรบรรพพื้นฐานทําจิตให้บริสุทธิ์รักษาจิตให้บริสุทธิ์นี้สำคัญมากแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่ศีลบริสุทธิ์มันทัง้งต้องพยายามรักษาศีล ก็ต้องบอกว่าโลกนี้อะไรคือสาระที่เราจะต้องสแสวงหาที่เราจะต้องไขว่คว้า ม, มาแล้วก็ถามว่าชีวิตเราเราเกิดมาเพื่อสแสวงหามหาพูดเท่านั้นหรื อ, เอนะเพื่อสแสวงหามหาพูดเท่านั้นหรือเมื่อไรจะพอสักทีหนอเกิดมาเพื่อต้องการสแสวงหาเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเท่านั้นหรือทำไมเราไม่สแสวงหาศีลเพราะฉะนั้น ใครที่สาธยายพุทธคุณจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่คือทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งศีลขันธ์อันใหญ่ทำไมต้องหาทำไมต้องหาก็สมาทานเอาทสติจบง่ายดีก็ต้องหาหาจากทุกๆอารมณ์ว่าอันนี้คืออารมณ์ของศีลของเราอันนี้คือวัตถุของศีลของเราอันนี้คือวัตถุของศีลของเรามันมองเห็นอะไรปั๊บศีลมาเลย น้นถ้ารักษาศีลห้านั้น 5, นะมองเห็นใครก็เห็นศีลห้าอยู่ในนั้นด้วยถ้าเรารักษาศีลหเห็นวัตถุใดก็มีศีลห้าถ้าเรารักษาศีลแปเห็นวัตถุใดเราก็เลลึกถึงศีลแถ้าเรารักษาจตุ ป, ปาริสุทธิ์ศีลเห็นสิ่งใดก็เห็นจตุ ป, ปาริสุทธิ์ศีลเห็นทุกอย่างเป็นวัตถุแห่งศีล น, นั่นคือสิ่งที่เราต้องแสวงหาเสาะหาค้นหา ตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสแสวงหาศีลเนี่ยพระองค์จึงพ้นจากภัยพ้นจากอบายเป็นต้นเราปรารถนาความพ้นอย่างนั้นเราก็ต้องสแสวงหาศีลพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สแสวงหาศีลลำพังพระองค์เองแต่ของเราเนี่ยศิษ์เมียาจารย์เรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกวันนี้ศีลนะศีลของเธอจะมีได้ด้วยอะไรเมื่อรู้ก็ชื่อว่าอาะไรเมื่อรู้ก็ชื่อว่าศีลเมื่อเห็นก็ชื่อว่า ศีลเมื่อนึกถึงะนะเมื่อนึกถึงเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานเมื่อสมาทานก็ชื่อว่าศีลเพราะฉะนั้นทํำยังไงเราจะได้เห็นอะไรแล้วนึกถึงศีลให้บ่อยๆพิจารณาให้เห็นศีลบ่อยๆ อ, อธิษฐานให้เป็นศีลบ่อยๆทําให้มากคิดให้มากให้เป็นไปกับศีลจนไม่มีวัตถุใดไม่ใช่วัตถุแห่งศีลของเราฉั้นคนที่มีศีลเนี่ยพระองค์รับรองเลยใช่ไหมศีลเลนะสุขติงณิตท่านจะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็ช่าง มีอะไรเป็นอารมณ์ก็ช่างมีสีก็ตามมีเสียงก็ตามมีกลิ่นก็ตามจะต้องวัตถุนั้นเป็นวัตถุแห่งศีลวัตถุใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งศีลเนี่ยใครหาพบช่วยบอกด้วยไม่ใช่อารมณ์ของศีลเลยอนนไม่ได้มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นศีลไม่ได้ถ้าใครหาพบช่วยบอกด้วยอันนแต่จริงๆเชื่อว่าไม่มีโดยที่สุดอากาศยังเป็นอารมณ์ของศีลเลย อากาศเป็นอารมณ์ของศีลได้ไหมเราพูดถึงอากาศได้ไหมพูดถึงอากาศได้ไหมพูดด้วยวิจีสรจริตหรือทุจริ ต, รรตก็ตามมาแม้อากาศก็ยังเป็นอารมณ์ของศีลได้เั้นทุกอย่างในโลกเป็นอารมณ์ของศีลมั้นจะต้องแสแวงหาศีลให้ได้ในทุกอารมณ์นะนะแสวงหาประโยชน์คือศีลให้ได้ในทุกอารมณ์มันคนที่เาสาะหาแสวงหาค้นหาจนพบศีลได้ในทุกอารมณ์ สีเลนะสุขติญจันติมีอะไรก็ไปสวรรค์ได้หมดมีดอกไม้เป็นอารมณ์ก็ไปสวรรค์นะมีแม้กระทั่งอะไรนะมีผ้าเช็ดเท้าเป็นอารมณ์ก็ไปสวรรค์มีผ้าม่านมีบ้านมีอะไรก็สรุปในโลกนี้ทุกอย่างเป็นอารมณ์แห่งสวรรค์ได้หมดเพราะมองเห็นศีลได้ในทุกอย่างในทุกผนทุกแห่งในทุกอารมณ์แต่ถ้ามองเห็นตรงไหนก็ทู้ศีลนะมองเห็นตรงไหนก็นึกถึงศีลตัวเองไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะก็ ฝากๆคุยกับคนอื่นบอกให้ช่วยกรวดน้ำให้มั่งเนะ้อลูกเ อ, อ้ยอย่าลืมแม่นะทำบุญที่ไหนก็กรวดน้ำให้แม่บ้างอย่าลืมสั่งเสียกันไว้บ้างกันแล้วกันลูกทุกอาทิตย์ก็ยังดีนะลูกอย่างเงี้ยนะทำไมงานเนี้ยไปหิวอยู่ที่ทะเลทรายคือเปรตทูมเนี่ยเดือดร้อนเน่เนี้ต่อไป ถ้าหากว่าเห็นอารมณ์ทุกอย่างเป็นอารมณ์แห่งศีลได้จะมองเห็นทุกอย่างเป็นอารมณ์แห่งพุทธานุสติได้ทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าไม่ทู้ศีลกับทุกอารมณ์เราจะเห็นศีลของพระพุทธเจ้าในทุกแห่งพระพุทธเจ้าไม่มีกรรำชั่วในที่รับและที่แจ้งไม่มีที่ทําบาปในที่รับที่แจ้งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลเห็นทุกอย่างพระองค์บัญญัติเป็นศีลขึ้นมาได้ที่เป็นพระวิไนปิฎกเนี่ยนะพระองค์เห็นอารมณ์ทั้งหลายนี่เห็นดอกไม้พระองค์ก็บัญญัติเป็นศีล เห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นเนี่ยบ้านช่องบ้านอะไรพระองค์มันอยากเป็นศีลได้หมดเลยเพราะพระองค์เป็นผู้แสวงหาศีลจนพบศีลขันอันใหญ่ศีละขันขันตรนั้นแปลว่ากองกองแห่งศีลที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นพุทธานุสติถ้าเราเจริญพุทธานุสติได้จิตตาวิสุทธิของเราก็เกิดขึ้นเพราะวิตกเล่าแล้วเล่าๆที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าถ้าเจริญทำมานุสติได้ไหม อารมณ์ทุกอย่างเมื่อเป็นอารมณ์ของศีลศีลเนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าศีลเบื้องต้นเป็นปัจจัยแก่ศีลที่เป็นโลกุตระศีลที่เป็นเบื้องต้นนะโลกิยะศีลเป็นปัจจัยแห่งศีลที่เป็นโลกุตระศีลเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเราก็เจริญธรรมานุสติได้เลยสังขานุสติสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญเป็น ทำมนุสสังขานุสติอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยนะเราไม่ได้ไปทู่ศีลมาเนี่ยอันนั้นเป็นศีลานุสติของเราศีลานุสติของเราเทวดาทั้งหลายที่เขาเกิดเป็นเทวดาเพราะเขามีศีลเขาจึงเป็นเทวดาเราเองก็เราก็มีศีลในในสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันมันก็น้อมว่าแม้แต่เทวดาเหล่าใดที่ประกอบด้วยศีลแม้เราก็เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศีลอันนี้จิตตวิสุทธิเราก็ดีขึ้นนะ ถ้าถ้าเจริญได้ตามนั้นจริ ง, รงๆก็เป็นจิตตาวิสุท ธ, ธิหรือจะพัฒนาศีลเหล่านี้ให้เป็นอะไรศีลคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกามาศีลถ้าปรารบศีลให้เป็นสมถะก็ได้เช่นเจตสิกศีลเจริญอนาพิชาเจริญอัพยาบาทให้มีกําลังขึ้นก็คือเจริญเมตตานั่นเองเจริญเมตตาให้มากขึ้นพกพูนเมตตาให้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นจิตตาวิสุท ธ, ธิจิตตาวิสุทธินะ จนจิตมีเมตตาเพราะจิตตวิสุทธิที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างแท้จริงคือจิตที่ปราศจากอภิชากับโทมานต์ปราศจากความโลภและความโกรธคิดยังไงจึงจะไม่โลภคิดยังไงจึงจะไม่โกรธให้ดำรงอยู่ด้วยความไม่โลภให้ดำรงอยู่ด้วยความไม่โกรธถ้าเราโกรธสินเราขาดนะอนกันไหมถ้าเราโลภศินเราก็ขาดเหมือนกันนะ เพราะโลภ ก, ก็เป็นเหตุใกล้ให้ทุศีลความโกรธก็เป็นเหตุใกล้ให้ทุศีลรักษาไม่ให้จิตเนี่ยโลภและโกรธเพื่อจะได้รักษาศีลเอาไว้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ไม่เนี่ยทำไม่ง่ายหรอกแต่ว่าสมาทานได้อธิษฐานได้เพราะปฏิสัมพิธามัชศีแลม ย, ยาญาณเจนกล่าวว่าเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าศีล สมาธิก็เหมือนกันนะเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าศีลชื่อว่าสมาธิชื่อว่าปัญญาที่เรียกง่ายๆว่าเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อเห็นก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อพิจารณาก็ชื่อว่าสิกขาพันธเราจะต้องเที่ยวเสาะหาสะแสวงหาให้เห็นศีลสมาธิปัญญาในทุกหนทุกแห่งในทุกอารมณ์คิดถึงโลกได้สิกขาสามไหมบางคนก็บอกว่ยช่วงนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยมัวแต่วุ่นกับ กับอะไรกับลูกเอ๊ะยังกับที่ลูกตัวลูกไม่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์แห่งศีลสมาธิปัญญาเลยนะแสดงว่าไม่เคยแผ่ศีลสมาธิปัญญาเอาไว้ในในลูกเป็นต้นเลยถ้างั้นมีลูกเป็นอารมณ์จะไปไหนดีนะเอ้ยอย่าไปเลยเขายัดเยียดกันอยู่เยอะแล้วทั้นทุกอย่างเนี่ยให้เป็นอารมณ์ของศีลให้ได้บอกบางคนบอกมัวแต่ทำงานเต็มไปหมดเลยไม่มีเวลาเลย แสดงว่าสิ่งงานของเขาไม่เคยแผ่สีนสมาธิปัญญาลงในงานเลย น, นะบอกว่าช่วงนี้ลำบากในการเดินทางมากทำไมไม่พิจารณาเรื่องการเดินทางให้เป็นสีนสมาธิปัญญาบอกต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากคนหมู่มากไม่ใช่อารมณ์ของสีนสมาธิปัญญาหรือพะะนันเราก็ต้องเอามาพิจารณาว่าทุกอย่างจะต้องเป็นอารมณ์ของศีนสมาธิปัญญาจะต้องนึกให้เป็นศีนสมาธิปัญญาให้ได้ ต้องรู้ให้รู้เป็นศีลสมาธิปัญญาให้เห็นเป็นศีลสมาธิปัญญาพิจารณาให้เป็นศีลสมาธิปัญญาอธิษฐานสมาทานว่าทุกอย่างจะต้องเป็นอารมณ์ของศีลให้ได้โดยที่สุดแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มก็ยังเป็นอารมณ์ของศีลสมาธิและปัญญาให้ได้ถ้าอบรมเจริญอย่างนี้ได้วิสุทธิเบื้องต้นเนี่ยดีความบริสุทธิ์เบื้องต้นเนี่ยดีเป็นคนที่มีถามว่าบริสุทธิ์แบบนี้นะถ้าทําได้แบบนี้ไหวตัวเองได้ไหม นะก็เป็นคนที่ตัวเองไม่รู้จะติเตียนตัวเองตรงไหนเพราะไม่เห็นอารมณ์อะไรที่จะทำให้เราล่วงศีิไม่มีอารมณ์อะไรที่จะทำให้เราเสียหายเราก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้อื่นพิจารณาโดยรอบคอบถีทท่วนแล้วติเตียนเราได้ไหมไม่ได้ถ้าคอบเขาเป็นบัณฑิตจริงๆเขาจะไม่ติเตียนเพราะว่าไม่มีโทษใดๆที่จะให้ติเตียนอะไรเพราะวิมล่ะนะวิมละนะ่ะวิมลก็เป็นเรื่องลักษณะ วิมนเป็นชื่อของดอกบัวใช่ไหมแปลว่าไร้มนทินไร้ความเศร้าหมองฉันใดศีลที่รักษาดีแล้วก็จะไร้เครื่องเศร้าหมองฉันนั้นเหมือนดอกบัวที่ปราศจากน้ำและคโคลนตมที่แปดเปื้อนก็บริสุทธิ์พองแผ้วฉันนั้นทีนี้เมื่อเจริญอย่างนี้บ่อยๆมากๆขึ้นวัตถุที่เราเรียกว่าวัตถุที่ตั้งแห่งศีลวัตถุที่ตั้งแห่งสมถะ วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งสีลวิสุธทธิวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งจิตแต่วิสุธทธิเนี่ยเอามาจำแนกเอามาแจกแจงเลยว่าถ้าพื้นฐานเจริญสมาธิจนได้ฌานดีก็มาพิจารณาอารมณ์ทําเอาตัวสมาธินั่นแหละมาทําปริญญามากําหนดแยกแยะโดยวัตถุโดยวิญญาณโดยทวารและอารมณ์เนี่ยนะวัตถุวิญญาณทวารอารมณ์ก็มาวิจัยเลยว่าจิตเหล่านี้อนนะานะฌานจิตเหล่านี้มีอะไรเป็นวัตถุก่อนมีอะไรเป็นวัตถุ มีอะไรเป็นอารมณ์แล้ววัตถุเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีมหาพูดเป็นเหตุใกล้มหาพูดเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็วิจัยวิจัยวิจัยเริ่มจําแนกแล้วนะเริ่มอะไรที่เรียกว่าถ้าเป็นนี้ก็ไล่เส้นไล่ทิศทางดูองค์ประกอบกําหนดจําแนกแยกแยะแล้วว่าแต่ละส่วนแต่ละสิ่งนี่มีอะไรเป็นองค์กําหนดมีองค์ประกอบจําแนกแยกแยะได้อย่างไร อันนี้จําแนกแบบผู้ที่เจริญสมรรถะถ้าผู้ที่อบรมเจริญมหาพูดก็จําแนกทุกอย่างให้เป็นท่าสี่ประการดินน้ําไฟและลมก่อนเอาแบบใหญ่ๆก่อนดินก็จําแนกออกไปอีกเป็น20น้ําจําแนกเป็น12ไฟจําแนกเป็นสลมจําแนกเป็น6แล้วดินเนี่ยนะผมก็ เ, เช่นดินยิหนึ่งใน20คือผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยก็เอาผมเนี่ยมาจําแนกอีกได้กี่รูป จำแนกกระจายเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็มาจำแนกลงเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้แต่น้ําน้ําดีน้ําเลือดน้ำเสเลน้ําหนองแต่ละน้ำเนี่ยมีกี่รูปไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นนี่มีกี่รูปธาตุอารมณ์ที่พัดขึ้นเบื้องบ น, บนลงเบื้องล่างเป็นต้นเนี่ยประกอบด้วยกี่รูปแล้วรูปเหล่านี้เป็นทวารแก่จิตอย่างไรเป็นอารมณ์แก่ จิตอย่างไรทีนี้พอจําแนกอย่างนี้ถ้าย่ อ, อลงมาอีกก็เหลือจักขู่ธาตุรูปธาตุจกักขูวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาตุโสตวิญญาณธาตุคานาธาตุคันธาตุคา น, าานวิญญาณธาตุก็เหลืออะไรนะตาสีจิตเห็นหูเสียงจิตได้ยินจมูกกลิ่นจิตรู้กลิ่นลิ้นรสจิตรู้รสกายโพธาตะจิตที่รู้โพธาตะ มโนมโนธาตุอธรรมาธรรมะทั้งหลายธรรมธาตุเกิดมโนวิญญาณธาตุขึ้นก็มาจำแนกทีนี้พอจำแนกมากขึ้นก็จกคูวิญญาณธาตุชาติอะไรชาติวิบากโสตวิญญาณก็ชาติวิบากขานวิญญาณชีวหาวิญญาณกายะวิญญาณก็ชาติวิบากมโนธาตุเป็นชาติกิริยากับชาติวิบากมโนวิญญาณชาติทั้งกุศลอกุศลวิบากและกิริยาก็มาจำแนกต่อไปอย่างนี้ นี่ทย่อลงมาอีกก็เหลืออายตนา12บสองคือตากับสีหูกับเสียงจมูกกับเป่นลิ้นกับรสกายกับโพธะพระใจกับธรรมรมทั้งหลายก็จำแนกมาเหลือทีนี้ทย่อลงมาอีกนะขณะที่เห็นก็คือขันห้าประชุมกันหูได้ยินเสียงก็คือขันห้าประชุมกันเพราะประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหูได้ยินเสียงก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณจะมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับประทบโพธภาภะใจนึกคิดก็คือความประโชมแห่งขันห้าถ้าย่อลงมาเนี่ยนะรูปก็เป็นรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามขันก็เหลือแต่รูปกับนามอันนี้เรียกว่าพูดแบบพิสดารเนาย่อลงมาให้มันเหลือหน่อยเดียวขณะเดียวกันนั้นการมองการพิจารณาก็ต้องย่อเป็นและขยายเป็น ย่อที่สุดก็คือเหลือคำว่าสองคำคือนามกับรูปย่อกว่านั้นก็คือสัพเพสาตาหาติติกาคือสังขารเท่านั้นแหละสังขารธรรมขยายเพิ่มก็เป็นนามรูปขยายเพิ่มก็คือขันธ์ห้าขยายเพิ่มก็คืออายตนะขยายเพิ่มไปอีกก็คือธาตุขยายเพิ่มก็เป็นธาตุสี่เนี่ยนะธาตุเพิ่มไปอีกย่อขยายขยายย่อย่อขยายทุกอารมณ์ ขั้นตอนแรกที่บอกว่าทําไมจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องพิจารณาศีลเอาไว้กับทุกอารมณ์เพราะถ้าเราศีลไม่ดีมคิดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกได้แต่ความฟุง้งซ่านได้แต่ความฟุง้งซ่านมันจะต้องเจริญศีลเอาไว้ให้มากเจริญสมถะเอาไว้ให้มากเอาไว้ในทุกอารมณ์ถ้าเจริญได้อย่างนั้นดีเท่าไหร่ก็กําหนดสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นรูปนามโดยความเป็นขัน5น 12, ้ายตนาสิบท่าสิบแหรือแม้กระทั่งอินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทได้ทั้งหมดเลย แม้กระทั่งธาตุธาตุ42ก็สามารถที่จะพิจารณาได้ทั้งหมดทีนี้การพิจารณานั้นไม่ใช่พิจารณาเฉพาะภายในอย่างเดียวภายนอกด้วยเพราะภายนอกองค์ประกอบคือรูปนามขันท่าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เป็นต้นก็ในยะเดียวกันปัจจุบันนี้ฉันใดอดีตที่ผ่านมาก็คือรูปนามขันท่าขันธาตุอายตนะ อนาคตที่จะมีต่อไปก็คือรูปนามขันห้าขันธาตุและอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปเรียกว่าสังสารวัเรียกว่าสังสารวัตเพราะสังสารวัรคือลำดับแห่งขันอายตนะธาตุที่ไหลไปสืบเนื่องไปไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระสังสาระวัตตก็มาแบ่งเป็นกรรมวิบากและกิเลสอะ น, นะสังสาระ ขันธ์ธาตุอัยตนะที่ไหลไปอย่างนี้มาแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผลส่วนที่เชื่อมเหตุเอาไว้กับผลนนะกรรมคือเหตุวิบากคือผลตัวที่เชื่อมให้กรรมให้ผลคือกิเลสสังสารวัฏก็ไหลสังสาระคือขันธ์ธาตุอัยตนะโดยกรรมวิบากกิเลสก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้จากอะไรจากวินาทีนี้เป็น นาทีจากนาทีก็เป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็เป็นวันเป็นวันวันยิบสี่ชั่วโมงก็วันหนึ่งเจ็ดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์สี่สัปดาห์เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นเจ็ดสิบห้าปีเป็นหนึ่งหนึ่งชาติ<笑><笑>การฟังก็เสียวเลยนะเจ็ดสิบห้ามากกว่านั้นก็ได้นะบางคนอาจจะแปดสิบเก้าสิบก็ว่ากันไปแต่ว่าสรุปว่าชาติหนึ่ง ถ้าหากว่าชีวิตในหนึ่งชาติเนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยนะละลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติหกชาติเจ็ดชาติแปดชาติก้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสามสิบสี่สิบห้าสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาตินะตลอดสังวัตะอัดหลายแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกะเป็นอันมากว่าในชาตินั้น เรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นเนบริโภคอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในชาติโนนแม้ในภพโน้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีรูปร่างกายมีอาหารมีอายุ สวยสุขสวยทุกเช่นนั้นเช่นนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปไหลไปในชาตินั้นก็ก็สืบเนื่องกันไปอย่างเนี้ยไม่มีจบมีสิน้นขันทา่าอายตนะไหลไปอย่างนี้เนี่ยนะก็มีผู้ถามว่าเออเนี่ยเเวียนว่ายตายเกิดไปนานนาเดี๋ยวมันก็จบเองใช่ไหมตายเกิดตายเกิดซะเดี๋ยวมันก็จบเองไม่จบหรอกมันจะไปจบได้ยังไงเกิดมาหนึ่งชาติทํากรรมเพื่อชาติหน้ากี่ครั้งแล้วสมมติว่าเราเกิดมาหนึ่งชาตินะั้นมีอายุ กี่ปีดิเอาเจ็ดแปดิปีก็แล้วกันถ้าเกิดมา80ปีเนี่ยทํากรรมเพื่อชาติใหม่กี่ชาติแล้ว <Brid ges. S 1> ก็ยังกรรมบางกรรมให้ผลห้ารอมหากรับอย่างนี้ใช่ไหม <Evet. S 1> กรรมบางกรรมให้ผลห้ารอชาติ mm. บางกรรมให้ผลแสนชาติบางกรรมให้ผลเป็นกลับกัปอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเมื่อไปใช้ชาติกําเนิดตัวเองจบเมื่อไหร่ดี <S <S ไม่มีจบไหมชาตินี้นะเราสร้างอุย้ยสร้างชาติใหม่ไว้เป็นล้านล้านชาติอยู่แล้ว เกิดมาชาติหน้าอีกเราก็มาทําเหตุสร้างชาติมาอีกล้านชาติชาติหน้าอีกเกิดมาเพื่อสร้างอีกล้านชาติทําอย่างนี้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติเมื่อไร่จะสิ้นชาติโอไม่มีสิ้นชาติเพราะอะไรที่จะสิ้นชาตินี่สิ้นได้ยังไงเพราะไม่สิ้นกรรมกรรมจกสิ้นได้ยังไงถ้าไม่สิ้นกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกรรมให้เกิดวิบากขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของชาติชาติมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีกรรมมีพบ พบมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีวิบากนะวิญญาณนามรูปสลายยตนะภาษาเวทนาเป็นเหตุใกล้แล้ววิญญาณนามรูปภาษาสลายยตนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีสังขารคือกรรมกรรมมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีกิเลสคือวิชาเป็นเหตุใกล้แล้ววิชามีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีเนี่ยวิญญาณนามรูปสลายยตนะภาษะเวทนาเนี่ยมีวิบากเป็นเหตุใกล้เพราะนั้นก็กรรมก็วนอยู่อย่างเนี้ย เหตุกผลเหตุกับผลเหตุกับผลเชื่อมโยงกันไปไหลไปไม่มีที่สิ้นสุดถามว่าถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยคือการประชุมของขันอาญตนาธาตุที่ไหลสืบเนื่องกันไปเป็นกรรมวิบากและกิเลส ท, ที่ไหลไปไม่มีจบมีสิ้นเราจะสงสัยไหมในอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอไม่สงสัยใช่ไหมอนาคตจะมีหรือหนอไม่สงสยัยสงสัยในปัจจุบันว่าเราคือใครหนอ ไม่สงสยัยก็มีแต่ขันธ์ธาตุอายตนะมีแต่สังสารวัฏที่ไหลไปสืบเนื่องไปพุทธพจนสรุปเป็นบทสั้นๆว่าอิมัสสะเกวรสสะทุก ข, ขั้นทัสสะสมุทยโยติกองทุกทั้งมวลก็ไหลไปอย่างนี้เมื่อกองทุกทั้งมวลไหลไปอย่างนี้ที่สุดแห่งทุกอยู่ที่ไหนที่สุดแห่งทุกอยู่ที่ไหนที่จบแห่งทุกอยู่ที่ไหน ขณะของเราฟังทำมาอย่างนี้นะเรายังบางทียังตอบไม่ได้เลยใช่ไหมหลายคนเนี่ยตอบไม่ได้เอ๊ะแล้วเมื่อเมื่อเหตุผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้แล้วจบจบจ บ, จบตัวจบนี่อยู่ที่ไหนก็บอกก่โหที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนทีนี้ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านคิดได้ท่านก็มาคิดหมายว่าชาติมาจากไหนชาติมากรรมมพบแล้วกรรมมพบมาจากไหน มาจากอุปาทานอุปาทานมาจากไหนตัณหาตัณหามาจากไหนเวทนาเวทนามาจากไหนผัสสะผัสสะมาจากไหนสลายตนะสลายตนะมาจากไหนนามรูปนามรูปมาจากไหนวิญญาณวิญญาณมาจากไหนสังขารสังขารมาจากไหนอวิชชาอวิชามาจากไหนอาสวะอาสวะมาจากไหนอวิชชาอวิชามาจากไหนอสวก็วนๆกันอยู่นั่นน่ะนะก็ไล่ไปอย่างไง ทีนี้ท่านก็มาคิดนิยต์คือท่านเป็นคนที่ชอบคิดอะไรที่มันตรงกันข้ามเสมอเห็นไหมอย่างอย่างก่อนที่ท่านจะออกบวชใช่ไหมท่านคิดเลยว่าเมื่อความแก่มีอยู่ธรรมะที่ไม่แก่ต้องมีนไะเมื่อความเจ็บป่วยมีอยู่ความไม่เจ็บป่วยก็ต้องมีเมื่อความตายมีอยู่ความไม่ตายก็ต้องมีเพราะฉะนั้นชาติชรามรณะความแก่และความตายเนี่ย มันจะต้องไม่มีสิเมื่ออะไรไม่มีหนอความแก่และความตายจึงไม่มีเออมันต้องไม่เกิดสิต้องไม่มีชาติไม่มีการอย่างลงสู่คันเป็นต้นถ้าไม่มีการเกิดความแก่และความตายมันจะมีจากจากไหนเอ้ยถ้าไม่เกิดไม่แก่แล้วมาจากไหนทํายังไงจึงจะไม่เกิดต้องไม่มีกรรมอ่าถ้ากรรมดับนะการเกิดก็ต้องดับแน่นอนแล้วถามว่าแล้วทํายังไงกรรมจะดับก็ต้องตันหาอุปาทานดับ ถ้าตัณหาอุปาทานดับพบก็ต้อง อ, อะไรนะกรรมก็ต้องดับแน่นอนแล้วทำอย่างไรจึงจะดับตัณหาอุปาทานก็บอกว่าตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่อาศัยวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนะภาษะและเวทนาบุคคลเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนะภาษาและเวทนาจากดับตัณหาและอุปาทานได้ รู้เห็นอย่างไรจริงจะเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนาภาษะและเวทนาไอ้คาว่าวิญญาณ น, นามรูปสลายยตนาภาษะเวทน า, าอีกชื่อหนึ่งของขันห้าก็คือขันห้านั่นแหละย่อลงมาก็คือนามรูปขยายลงมาก็คือขันห้าขยายไปอีกก็คือยตนาสิบสขยายเพิ่มอีกก็คือ58ขยายเพิ่มไปอีกก็นามรูปอันนั้นก็ขยายไปเป็น5่าสีก็แล้วแต่ขยายขยายขยายให้เป็นอะไรก็ได้ ขยายเชื่อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลต่อไปอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ารวมๆยอ่ยอดๆก็คือนามรูปเพิ่มอีกก็เป็นขันห้ารู้เห็นขันห้าอย่างไรสรุปเมื่อกี้ว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้ไม่สงสัยทั้งอดีตไม่สงสัยทั้งอนาคตไม่สงสัยทั้งอดีตอนาคตไม่สงสัยเลยว่าเหตุผลเป็นไปอย่างไรแล้วก็ไอขันห้าเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเมื่อไม่สงสยัยไม่เคลือบแคลงอย่างนี้แล้ว